เซขะปฏิปทาสนทยาธรรมิกถาวันที่13มกราคมพศออ2547เรื่องบุรณาการการศึกษาภาคที่หนึ่งตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยปีนั้นาวปฏิบัติธรรม ที่วัดวได้สารนอเภอเดอุดมยมทางการทักถามอาจารย์บอกเดคก้สินินน้ำทำดูนสิกินน้ำกินกินสินเป็นสินกินเป็นบ่อคนน่ะมันสิเสบ่อกสินครบขันูเนสินูสิ้กินหนังหรอวะมันไปกินหังแล้วอยู่บ้านหรอได้กินแมพอไงมันกินเป็นบ่ลหรสิมันกินเป็นบ่อหะ คนมือสีสเกตบอลม้วนเลยสิยมวนกินเฟ้นบอล ก, กินเป็นแม่ไอจะมีจึงพอถึงตอนเช้ามานั่งสมาธิในเววตาอาหารเย็นโตเป็นแถวคนได้แปดเก้าร้อคนปีนั้นเข้าแถวตาอาหารผมตัด ก, ก่อนผมก็เสร็จพอเป็นหัวหน้างาเสร็จแต่ก่อนผมจะเดินได้ผมก็เดินเดินเดินเดฝ้าดูเห็นเฝ้าใจแววตาไว้จับอาหารอยู่ในโต พอนายอันนี้ม่งๆตใส่พอนายอยู่ทั้งโตดะี่หัวตั้งหายว่าอยู่ข้ืงนบอกี่แล้วว่าไปชิฟเ์ให้กินอยู่ข้ืงบนอันนี้มั่งๆนั่งอย่างเขาบอกนุงเขาวของเขามั่งจำสินไม่ชิมากพอโอ้้งกเ้งเกินสินแล้ววะสิกินเป็ดเบ้ววะกินได้นะอยู่ไม่สินกินไม่ท้งอันนี้เราฟังนี่คืออธิสิน อาทิตย์จีดดูเวลาก่อนมันเหนื่อยไม่มีเสียงเด้อามาไหมเอาใจมาไหมพี่เลีอยงผมนั่งอยู่แค่ว่ามันไม่มีเสียงพ่นยาแล้วไม่ให้กินน้ำอีกเขาอยากกินน้อง การศึกษาราคาถูกมีคุณค่าอย่างสูงยิ่งทางจิตใจต้องก้าวไปกับไตสิขาและมหาจุฬาลงกรณราชวิสยรลายเจีงซี่จังเมนเราจะได้ประโยชน์ทั้งวงนอกและวงในทั้งเก่าทั้งใหม่ด้วยกันและเป็นคุณค่าเพื่อชาติเพื่อพศาสนาบ้านเมืองทั้งหมด ผมอยกจะตอไปถึงเรื่องโบรณาณการให้พวกเราครบครอบครบคุมมองเห็นชัดและจงจะเจาะลาสู่เรื่องสมาธิสักหน่อยหนึ่งก็อยากจะายายความให้เรานักศึกษาทั้งวงนอกวงในทั้งใหม่ทั้งเก่าและเขาจเรื่องโบรณาการของพุทธศาสนานี้พระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาชนที่เรียกว่าสเปเชียลิตี้คือพิเศษไม่เหมือนศาสนาอื่น มองทุกสิ่งทุกอย่างโยดยงใหยกันครอบคุมเชื่อมโยงกันทั้งหมดเป็นบูรณาการคือแม้จะแยกเมื่อแยกออกเป็นชิ้นเดียเรียกว่าวิพัฒสวาทดีแยกแล้วจะโยงใหยกันแบบนิเวศนังแบบผูพันโลกทั้งโลกพกกเเรรรรราาาาให้มองป็นแบบแบบะบะณาาท่านว่าพี่สู่ทั้งหลายสมัยใด ถ้าพระราชาประกอบไปด้วยธรรมในเดือนนี้เรากำลังมาแนะนำปฏิบัติธรรมเซทาปฏิปทาแต่ในนี้ถ้าท่านพูดถึงคุณค่าของธรรมและเป็นระบบบูรณาการทั่วทั้งโลกทั้งจักรวาลด้วยธรรมคาสั่งสอ ง, องพุทธศาสนานี้สมัยใดพระราชาประกอบไปด้วยธรรมสมัยนั้นแม้เราข้าราชการราชยุตเตปิก ธรรมิกานี้โหติแม้เราข้าราชการก็จ ะ, ปะเป็นผู้ประกอบผดยธรรมเมื่อเราข้าราชการประกอบผดยธรรมเมื่อนั้นแม้เราพรามเพื่อหาบดีสมัญภาวนาข้ า, าปฏิภาวนาข้าปฏิกาปิธรรมิกาโหดิ แม้เราพามเพื่องบดีก็จะประกอบไปด้วยธรรมคำว่าพาม์พื่งบดีในที่นี้หมายถึงพวอนักธุรกิจนักการค้าผู้ผู้ร่ำรวยในสังคมเมื่อเราพามเพื่งานบดีผู้ประกอบไปด้วยธรรมนั้นแล้วแม้ชาวบ้านขามนิคมบ้านนอกบ้านนาชาวชนบทก็จะประกอบไปด้วยธรรมสมัยใดชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านขาวมนิคม ประกอบไปด้วยธรรมสมัยนั้นพระอาทิตย์นุน่นกระเรียนขึนบสุริยะจักรวานลวนะสุริยะจันธิมาสมังปลิวัติอันติโหติเมื่อผู้คนทั้งหลายชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายประพฤติปฏิบัติประกอบไปด้วยธรรมเมืม่อนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์จะโคจร อ, อย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวกันกับอะไรกับคนอยู่ข้างล่าง ลองฟังต่อไปนี่คือบุรณะการนะแยกสะกอตัวนี้ก่อแล้วแยกเมื่อพระอาทิตย์กับพระจันท์โคจรสม่ําเสมอแล้วนักขัตตานิตาริการิปริวิสมังปริวัติตันติโหติดาวนักสัตตเลือดก็จะหมุนเวียนสม่ําเสมอเมื่อดาวุนเวียนอย่างสดงสม่ำเสมอแล้ว เมื่อนั้นวันและคืนและติ้งขึ้ว่าสมังบริวัติตันติโหติวันและคืนก็จะโคจรสมองเสมอเมื่อวันและคืนโคจรสมัร์เสมอแล้วมา ส, สัมมาเสสมังบริวัติตันติโหติกึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็จะโคจรสมัร์เส ม, สมอ เไปมูกึงเดือนหนึ่งเดือนโขจรสมามนเสมอแล้วอุตุชังวัชลาสมังปริวัตตันติโหติฤดูปีเดือนและปีทั้งหลาย ก, ก็จะหมุนเวียนสมามนเสมอเมื่อเลดูปีเดือนหมุนเวียนสมามนเสมอแล้ววาตาวายันติสมังปริวัตตันติลมก็จะพัดสมามนเสมอเมื่อลมพัดสมามนเสมอแล้วลมจะไม่ผิดฐา เมื่อลมจะไม่ไไม่พัดผิศทางแล้วเทวดาไม่กําเริบมันเกี่ยกเทวดาแล้วนั่นี่งปรึงเทวดาแล้วเทวตานี้ปริคุปิตานี้โหติแม้เทวดาก็จะไม่กําเริบเมื่อลมพัดสมังเถมงแล้วเทวดายานลมตะวันตกอย่างไดต้องมาแห่งเราปฏิทินว่นเทวดาเล่นนี้เถอาเมื่อนพรยุเกเมื่อเทวดาไม่กำเริบไม่กำเริบแล้ว เทวสเทวนสมาธาลังอ น, นุปปเวชติฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดู ก, กาลปูได้ประเด่นวามฝฟ้าปูได้ประเดริ่มต้นจากคนตก่ต้นจากคนเมื่อฝนฟ้าตกต้องตามฤดู ก, กาลแล้วศาสานี้ปาปริกุปิตานิสัมังปริวัตตันติโหติ ข้าวพนหมากรากหมาก็จะสุกพร้อมเพียงกันตามฤ ด, ดูกาลเมื่อข้าวก้าวพนมากรากหมาพนสุกพร้อมเพียงกันตามฤ ด, ดูกาลแล้วผู้คนทั้งหลายมนุษยานิปริพุนชาติปริพุนเชติพระวันโตโหติวันวันโตโหติอปาพาโตโหติทิทาจูกโอโหติเมื่อผพนหมานเหล่านั้นข้าวก้าเหล่านั้นสุกต้อง ถูกพร้อมเพียงกันตามฤดูกาลแล้วผู้คนทั้งหลายไปกินไปบริโภคข้าวเหล่านั้นผลไม้เหล่านั้นก็จะมีกำลังก็จะมีวันนะก็จะจะมีโรคน้อยอับอบปาพาโทโฮติแต่มีอาพานหน้อยมีโรคน้อยที่ขายุโกของที่อายุยืนนานตายไฟฟลีไฟรัรงมัไไนบริมันบริเวณานการบรมดภคที่นี่ตีกับ กับพิ่สุดทั้งหลายเช่นเดียวกันสมัยใดถ้าพระราชาไม่ประกอบไปด้วยธรรมเมื่อนั้นข้าราชการก็จะเป็นผู้ไม่ประกอบไปด้วยธรรมเมื่อข้าราชการไม่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วเมื่อนั้นเราพามืองานบดีทั้งหลายนักธุรกิจการค้าทั้งหลายพวกข้าวันนี้ทั้งหลายก็จะไม่ประกอบไปด้วยธรรมเมื่อพว้ค้าวันนี้ไม่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วแต่เบียดเบียนประชาชนของทุกคนจ้างเอาละเเปรียบ พวกเขาทั้งหลายก็ไม่สามารถจะประพฤติธรรมเขาก็จะเบียดเบียนธรรมชาติดิ้นฟ้าอากาศ ต, ต่อไปไม่ให้เผาก็เผาไม่ให้ถังก็ถังไม่ให้โจก็โดเมื่อประชาชนเหล่านั้นไม่ไม่มีสินไม่ทำํำไม่ตั้งมาน่นในสินในธมแล้วเมื่อนั้นสุริยะจะนีิมาปฏิวัติตันติวิสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะโค จ, จะไม่สมันตะเมยโว่โมเนธรรมดาด้วยบกคนเนาะเก่งขนาดให้หัวกระทืบไปถึงฟ้ะอาทิตย์พระจันทร์ ตาละการนิปริวัติตันติวิสมังนักขัตานปริวัติันติวิสังดวงดาวดาราน mm ้อ hmm. ย่าน mm ักขัตตเลือกทั้งหลายก็หมุนเวีไม่สมัตเสมอเมื่อดวงดาวหนั้นมันมุนเหมุนเวีไม่สมัตเสมอแล้ววันและคืนแลตินทิวาวิสปริวัติตันติวิสมังวันและคืนก็จะโคจรไม่สมาตทเสมอเมื่อวันและคืนโคจรไม่สมัติเสมอแล้ว เดือนหนึ่ง ก, งงกศศศงึ่งเดือนก็คาดเคลื่อนมาสะอัศสมาเสเดือนและครึ่งเดือนข้างขึ้นข้างแรงก็จะไม่ส ม, งมองเสมอสังวัตสังวัชลาปริวัติตันติวิสังที่นี้เดือนและปีและดูและปีก็จะคาดเคลื่นอ น, นไม่สมองเสมอมุนเบียไม่สมองเสมอหลังจางนั้นลมจะพัดผิดถาม ลมจะไม่พอดีลมจะพัดผิดทางเมื่อลมพัดผิดทางแล้ววาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติแม้ลมก็จะกำเริบพัดผิดทานเทวดาทั้งหลายก็จะกำเริบเมื่อเทวดากำเริบเทวนาสมาธาราุประเวชสติฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันเกี่บวกับเทวดากับฝนด้วยเมื่อฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้ว เมื่อนั้นสัตสานิทัญญานิลุกคภาลานิปริคติตานิวิสังมปริวตัตนติผลหมากรากไม้พื่อพันธุยาหารทั้งหลายก็จะสุกงอมไม่พอเพียงกันผู้คนทั้งหลายไปบริโภคไปกินเพื่อพันธุยาหารผลหมากรากไม้เหล่านั้นจะเกิดโรคเกิดพยัยได้เพราะหง ป, ปาพาโถโหติ นวนวันโตนะรระวันโตนะที่ขายุโกโหติมรณะศัตดิ์ไม่มีเรื่องงมันจะไม่มีสุขภาพจะมีแต่โรค ม, มากๆและอายุก็จะไม่ยืนตายไวบ่มแม่เลยบอกคุมืองเลเสร็จแล้วท่านสรุปสรุปแบบโบราณการให้เห็นชัดขวันเจตละมานานัง ชิมังคัฉันโตติบุงค์วสภาตาชิมหังคเตสตินเนตชิมหังคเตสติเอวะเมวามนุสเสโซโยโห์สสติเสธาสมโตโสเจอะหามิการจริญปะเขวอิตรลาปิตาสะพังละถังทุกขังเสติราชาเจหองเดชะมโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปคด ลูกฝุนทั้งหลายของโขก็จะไปโคดโคดงองเอวเมวมนุษยโสโยโหติเศรษฐะสมุโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าหัวหน้าองค์กรหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าสถาบันหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่ไม้ตั้งมั่นในธรรมสัพพังรัดถังทุกขังเสติแวนแฟงเจะประสบแต่ความทุกข์ พระราชาเจโฮติอธรรมโกท้าพระราชาไม่ตั้งยืงนในธรรมไม่ประกอบด้วยธรรมตีกับอีกทีหนึ่งตีกับอีกทีหนึ่งเชกว่าขวันเจคารามานังอุชุงคัตฉันติปุงค์ขงสภาตาอุชุงคเตสติเอวเนวะเอวเมวะคเตสติเอวเมวะคเตสติ เมื่อฝูงโค ข, ข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของโคก็จะไปตรงเพราหัวหนำพาไปตรงโยโฮติเซธาธรรมตองเอวเมาวมนุสเซโสถ้าในมูมมนุษย์ผู้ที่สูกสมมุติเป็นหัวหน้าประกอบไปด้วยธรรมสับอีราชาเจโฮติธรรมิโกถ้าฟราชาประกอบไปด้วยธรรม เมื่อนั้นสับพังรัดถังสุ้ ข, ขังเสถียรเป็นแฝนประเทศชาติทั้งหมดก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญประเทศไทยของเราเป็นบุญมากเรามีพระราชาที่ประกอบด้วยธรรมจึงทำให้บ้านเมืองเราอยู่มาได้ถึงขนาดนี้บ้านอื่นเมืองอื่นเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์เปิดทีวีอาจดูหน้าหนังสือที่ไม่ได้เขีนแต่ข้าแต่เบเวียนกันทั้งไฟธรรมชาติแผ่นดินไหวฟูเขาไฟระเบิดเกิดน้ําท่วม อนนีรนาดวุ่นวายไปหมดแต่เมืองไทยเรายังสงบเงามลบเย็นอาจจะเป็นพราะข้อนี้ก็ได้พระราชาของเราประกอบด้วยทางการปฏิญาณตนขึ้นเสริมสวรรคพระราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจักรยู่ของของเราพระองค์ปัจจุบันพระองค์ทรงใช้คําว่าเราจะปกครองในนี้โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามชาวสยามก็คือพวกเราได้มีพวกเราหนุนส่งไป ขอยิ่งจะเป็นพลังให้ประเทศชาติจะริญรุ่งเรืองสงบปล่มเย็นุทธศาสตร์ศาสนาของเราจะมีพลังมากจะคุ้มครองของอภัยต่างๆไมได้ดีมากคุ้มครองจิตใจของเราเป็นประจกแก้วซะก่ถ้าเราได้มาศึกษากันอย่างนี้นีคือการศึกษาที่แท้จริงในผู้พูดในฟนี่คือการบูรณาการนะบูรณ า, นานการทั่นานานวทั้งโลกด้วยอาํอนานาจแห่งพระธรรมของพุูธศาสตรนาการศึกษาของเราจะต้องมองบูรณ า, นานการให้ชัดเจน เราจะต้องมามมอศึกษากันหนึ่งที่นู้เวลาจะมีอยู่หน่อยหนึ่งเีืเ่องแรงก็พอมีเสมาพอดีที่มาว่างแล้วขออีกชกอยาเสพติด ม, มาแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เราสวดเมื่อกี้นึ่งอย่าลืมนะสวดแล้วมัจะหายไปตามสายลงสมาธิสวดที่เราพูดมาเมื่อกี้นึ่งที่ว่า ดยก่อพิสูจทั้งหลายเธอจะมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณมิได้เถิดในนี้อะไรคือปัญญารักษาตนยางไม่พูดขออาตามตามเนื้อความนี้เสก่อนมีสติหาประมาณมิได้ไม่ใช่ไม่มีสตินะไม่ใช่คำนุเรอะประมาณนังนิประการนังปฏิสติสตานังมีสติ จเจริญสมาธิอันหาประมาณไม่ได้เถิดเมื่อเธอเป็นผู้มีปัญญารักษาตนรักษาตนตได้อย่างไรครับนั่งนานๆมั น, นปวดขาก็มีสติมีสัมปชัญญะรักษาตนค่ อ, คอยๆเคลื่อนไหวลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ให้นั่งกันจนจนขาขดค า, างองดอกที่ครูบาอาจารย์มานั่งอยู่ตรงนึง ม, มาเพื่อฝึกเพื่อสอนให้เรามีปัญญาบางคนมีโรคประจําตัวไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถจะเคลื่อนไหว ถ้ามันร้อนเกาะยายามเคลื่อนไหวเขาร่ม ม, มันมานั่งซึบให้แดดเผาะจะดําตึ้ออย่างว่ารเลยเพราะว่าให้มีปัญญารักษาตัและมีสติจเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้เถิดสมาธิในขาดสติไม่ได้สติจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงสมาธิให้จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นให้มั่นคงด้วยแต่ะ่านบอกว่าเมื่อเธอทำอย่างนั้น ญาณของรู้แจ้งห้าอย่างจะเกิดขึ้นเฉพาะเธอแต่อย่าสับสนนะถ้าเราได้ไปเรียนฝ่ายที่สอนวิปัสนาพัฒนากับรรมฐานส่วนมากเราจะไปเรียนฝ่ายวิปัสนาวิปัสนาจะสอนเรื่องวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณเก้าญาณสูง 16. แต่อันนี้ไม่ไม่อยู่ในขอบเขตนั้นที่เราสอนมางกญาณห้านะเป็นสมถญาณญาของสมถญาของสมาสมาธิ คือถ้าล่าเราจะเริญนถูกสมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องจะเห็นห้าอย่างนี้นขึ้นมาก่อนกาตะมกะตะมหิปัญจะการห้าอย่างเป็นชนให้เราข้อเราสวดท่านตั้งคำถามขึ้นมาอง5ห้าอย่างคืออะไรเล่าหนึ่งย่อมรู้เฉพาะตนบ้างสมาธินี้มาก่อนเลยข้อถึงมีความสุขในปัจจุบัน และมีความสุขเป็นผลเป็นวิบากต่อไปอย่าลืมว่าสมาธิถ้าเราจะเดินถูกต้องแล้วมันจะต้องมีความสุขขึ้นมาครับนี้ไม่ผลเราความสุขเป็นสาระสําคัญจาเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นเป็นความหมายของการปฏิบัติธรรมคือจะต้องมีความสุขไม่สุขมากก็ต้องสุขน้อยไม่สุขค่อยก็สุขแรงบ่ไม่สุขเงื้อเบาก็สุขเนื้อเบาเพราะฉะนั้นก็สุขอย่คนย ขาเหตุถือนเลยถ้าทําถูกความสุขจะเกิดมาก่อนเกิดความยินดีปีดาปราโมทขึ้นมาก่อนเปขบวนการความกัเทิงใจชื่นชมรื่อรมย์ในใจด้วยการนั่งอยู่เฉยๆพอใจจะทําอยู่เรื่อยๆแล้วจะเกิดปีติดเออบิ่มไม่หัหยหาอารมณ์ใดพอจะแล้วขนาดนี้ปีติอยู่อีกม่นมีปีติดจะมีปฏิทิขบวนการของมัน ปัสถิความรู้สึกเจ็บปวดรวดรลา่าตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวความหนักความหน่วงเหน็ดเหนื่อยเมื่อเหมือนมันจะหมดไปเรียกว่าปัสธิแท่งฟิลิตริอีควิลิเบียมสงบเงียบร่างกายทั้งใจสบายอยู่นะไม่อยากลุกเนี่เรียกว่าปัสถิพ้าตาพขะปัสถิตัวนี้จะส่งให้เกิดความสุขแฝงขึ้นมาในปัสถิ มีความสุขชนิดที่บอกคนอื่นไม่ได้แต่เรารู้ยิ่งว่าปั จ, จ, ต, ป จ, จตังเยวะญาณังปัจจุบันรู้ทร้อมเฉพาะตัวว่าผู้อื่นไม่ต้องมาบอกเราเรารู้อยู่ท่จะบอกคนอื่นไม่ถูกตอนนี้อะอย่างสมาธิปัจจุบปั น, ปจจป น, นสุขโขเจวะอเยติงสุขาวิปา ก, กติที่ราสวดโอสมาธินี้จ้องรู้เฉพาะตนพระ มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นวิปัสสต์ต่อไปนี้ไม่พอเราตนนี้มา ก, ก่อนจะมีความสุขมากมากเมื่อเกิดปฏสธิแล้วก็จะเกิดความสุขแฝงอยู่ตรงนั้นสุขมหาปาัญญาจากศีลจากสมาธิส่งไปตอบถึงปัญญาจากปัญญารู้จะกฝึกสมาธิแล้วย้อมมาอบรมศีลให้บริสุทธิ ก็ส่งไปให้เกิดความสุขเกิดพีติปาโมนในในการที่มีความการาพ ฤ, ฤติกรรของตัวเองด้วยหน้าของสิ่งนั้นเอ่ว่าไม่มีวิปฏิสารพอใจในพฤติกรรมที่ผ่านมาไม่เดือดร้อนแใจไม่เดือดร้อนใจแล้วก็เกิดปาโมนพอใจบันเทิงใจเออดมใจในการที่เรากทำทํามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เข้นไม่ได้ข้ามไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าใครคิดไปหน้ามีหวังคิดไปย้อนเราไม่เดือดร้อนใจก็จะเกิดปาโมน อิมอ่มเอิบบันเทิงใจอยู่แล้วก็เกิดอิม่มใจเป็นปีตีแล้วจะเกิดปัสสธิลืมเก็บลืมปวดลืมร่วเดิมเหลาก ล, ล, ล, ล, ลายเป็นความสศกแฝงขึ้นมาแล้วกเกิดสมาธิขึ้นมาจริงบอกว่าสมาธินี้มีความโศกในปัจจุบันและมีความสศกเป็นวิบัสต่อไปอันนี้เป็นยาอันหนึ่งยาของสมาสมาธิต่อมาข้อที่สองเราพูดว่า อายังสมาธิอริโยอนามิสโสปัจจตังยิวะยานามุุป จ, จติย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะไม่แอบอินงนามิความนี้ต้องอธิบายนะอริยะอริฆาศึกยะไป สมาธินี่ไปเบริเครื่องทำให้เราพอเราไปไกลจากข้าเสร็จไม่แอ บ, บอิงอามิตธนิรามิสโสอามิตรนี้มาถึงเหยื่อเหยื่อหูเหยื่อตาเดอยเหยื่กหรเหยื่ อ, อ, อลิ้นเหยื่่กายเหยื่ใจไม่อาศัยรูปไม่อาศัยเสียงอาศัยกิน่นอาศัยรสแต่กึ้งนั่งอยู่เฉยๆตัวนี้แหละแต่มันมีความสดขึ้นมาได้มันจะคงปแปลวไม่แอ บ, บอิงสิ่งนั้นไม่โดนเอาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องรออมัน ไ, ม, ไม่แอ บ, บอิงที่บอกรู้เองบ่ มันเป็นอย่างนี้ไม่มีอาวุธใดๆจะมาทำให้มันเกิดขึ้นไม่ซื้อด้วยเงินด้ทองซื้อเอาไม่ได้ตัวนี้ได้ฟีๆรัฐธรรมุฐานิพุติมพลชมานาได้มาฟีๆีบริโภคอยู่สัมผัสจบซึ่งคอสงบเรางอมนี้ต่อมาอีกอันที่สามไปยังไงหนังสือเปิดดูอายังสมาถิงอากาศสับลุศวิปติม ต่อรู้ชัดเฉพาะตอนว่าสมาธินี้คนเร็วๆเสพไม่ได้เลยเพราะก่อนที่เราจะมองพบสภาวะนี้แล้วก็ล้มลุกคุกคานต่อโซ่มาเรจะรู้ว่าโอ้ยถ้าทำเล่นๆมันไม่เห็นดอกไม่เป็นตีต้องตื่นกันมาหลังขนหลังแข็งตีตหนึ่งตีอตอสองมาทำเล่นๆรัวๆไม่เจอไม่พบสภาวะนี้ที่ว่าอากาศสัพุริโสเสวติอันคนเร็วๆย่อมเสพไมได้เลย นี่สามาธิมันจะรู้อย่างนี้ใครก็ใครพอจะรู้เองวันนึงจุดนี้ว่าโอ้ถ้าทําเล่นๆมันคงจะไม่พบเห็นใครเล่าหนอะจะมาพบมาเห็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นแล้วเราคี้จะไปสอนใครก็นางแกซะก่อนเอเราจะไปสอนใครเนาะถ้าเขาทำเล่นเนขามาทานจริงๆอย่างเราเขาก็ไม่พบจะเบื่อหน่ายจากะทอ้ทอทอ้ท อ, ท อ, ทอใจจนกว่าจะ ความรู้สึกเหล่านี้นเบาบางลงหน่ะมันจะเกิดลู โ, โลกฮึดขึ้นมาอีกอันหนึ่งจะคิดขึ้นมาได้ปะเราก็ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินมาจากไหนเราก็คนธรมธรมดาธรรมดาเมือกับเพื่อนทั้งหลายเมือกับคนทั้งหลายเขาจะทําอย่างเราไม่ได้เฉยเยเขาต้องทําได้ถ้าเขาทําอย่างเราก็ตัวนี้ก็มีความกล้าที่จะบอกจะสอนจะพาฝึกฝาให้อย่างผมเนี่ยหลังๆพังเนี่ยผมไม่คิดว่าพวกท่านจะทำมาได้ โอ้ยห้องแ่ไก่สิตายมาเหตุปลมือบิ้งกันมือคนดีกว่าห้องคนจิต้องไะไรตอกเหตุก็เลยต้องตะเกียรตะการมาฝึกมาสอนกันเพราะไม่ได้ดูถูกใครเท่านั้นนี่ยทกคนต้องทําได้ดีกว่าคนด้วยซ้ำเพราะสุขภาพอันสมสมนี่ยังทําได้มานั่งอยุ่เดือดไปไม่ไดแต่ตอนแรกมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าอากาศสับปะรดโซเสวติคนเรวๆเสียไมาได้แน่นอนแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่มันจะเลยทุกคน เขาจะต้องทําได้เหมือนเราถ้าเขาคิดจะทำเพราะคิดได้อย่างก็ต้องสอนมันต้องบอกกันต่อมาข้อที่สี่ไว้อย่างไงสันโตปณิโตปัติปัิทิละโถเอกาทิภาวาทิโกโตอาอย่างสมาธิสมาธิอันนี้สงบปานินะครับไม่ใช่ปานิ น, นะปานี่ไม่จริงหรกคือมันละเลอียดมากป็นป ได้มาด้วยความสงบร่ำลับด้วยภาวะอันเป็นทําอะเอคือจิตอันเดียวเอกมันเป็นวิเดียนึงหนึ่งเดียวเีกาที่ภาวะที่กระโตได้มาจากความสงบร่ำลับอันเป็นทําอะเอกขอดขึ้นเวลามันเข้าถึงสมาธิต้นหนึ่งมันจะเป็นทํามะเดียวคูมีอยู่ไม่ได้ยินเสียง ตามีอยู่ไม่เห็นอะไรมันจะรับเองเจมมันอยู่มันรู้จเหมนจากหอมลิ้นมีอยู่มันรู้จักหวานจากเผ็ดจากเค็มเพราะมันไม่ได้กินอะไรกายมีอยู่ในขณะที่มันเป็นสมาธิอย่างมันรู้จักเย็นร้อนออนแขนดอกคือมันเป็นอันเดียวไม่มีสองมีสามมีสี่มีห้าอารมณ์ขงมันอยู่ห้าหกอารมณ์มีตาก็มีรูปมีหูก็ต้องได้ยินเสียงนี่เป็นอารมณ์ของมันมีจะหมูกก็ได้รับกิน มีริ้วต้องรู้จากรถมีกายก็ต้องรู้จากสัมผัสมีใจก็ต้องคึนต้องคิดแต่เมื่อมันเข้าถึงจุดนี้เอกาทิภาวาทิคาโตไปสู่สภาวะอันเดียวไม่มีสองไม่มีสามไม่มีมสี่การทํางานของอจิ ต, ตนะแล้ว ง, งับไปซ ะ, ะกอ่อนตอนที่มันเป็นเอกเป็นเดียวเป็ น, ป น, ปนอปนาสมาธิจะคิดมันก็คิดไปไดไม่คิดเป็นนะ ไมจ่จะรู้จักว่าเราเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมันไม่รู้จักแต่รู้จัว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่รู้จักรู้อย่างในวันรู้คือ ร, รู้คือรู้ว่ามันนี่คือจิตนี่คือสมาธิมีพระุทธเจ้ามนาออนาั่งอยู่ต่อหน้าในขณะนั้นจะไม่กราบวทวงถามว่ามันคืออะไรเมื่อมีความสงสยัยเลยอะสัมเสยังสุปัญญาติอสังสจีสิ่งนี้พระพุทธามันพะพุทธเจ้าบัญญัพอดีแล้วไม่สงสัยเลยถ้ามานาั่งอยู่ตอ่อหน้าจะไม่กล่าบ ทูลถามพระองค์ว่าอันนี้คืออะไรบดหามเลยอันนี้ก็คือเอากาที่ภาบูไม่ใชใ่ได้มาด้วยจิตอันคมจิตอันเป็นขฆาตศึด้วยจิตอันเป็นสะสังขารตอนนี้เขาจะยากทําไมไปทําไมอธิบายน า, ากะนี่ใครหาวลิปปตับปะโตสะสังขาระทามังลิขยวิลวลีปปตับปะโต อาจปั จ, จตังเยวะเยรังปัจติต้องรู้รู้เฉพาะตนบ้างทำเองอันนี้ไม่ใช่ได้มาด้วยการคมทํามันเป็นค่าศึกด้วยจิตที่เป็นสาสังขาร น, นี่คืออะไรครับทำที่เป็นค่าศึกและจิตที่เป็นสาสังขารคืออะไรอย่างเราต้องการความสงบและจิตมันพะพวนถึงถงเรื่องอารมณ์มันคิดไปโ น, น นำไปค่าศึกแล้วนะฆ่าศึก ข, ของจิตแล้นะแล้วนะก็มาคิดอะใหม่คิดถึงความไม่สวยไม่งามความปฏิภูนโสโครอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในโลกในกรรมนะั้นก็คิดได้พเพียงแค่นี้อันนี้นี่น น, นี่คือสัสังขารเอาสังขารไปปราบสังขารแต่ท่าถ้าจะทำให้มันเป็นธรรมทิไม่ได้ทําอย่างนี้เท่านี้จ้าง ก, ก็ไม่เป็นธรรมทิก็เพียงแตเป็นการบรรเทาเท่าดีากว่า เป็นอภิเษนธรรมพิจารณาและบรรเทาถ้ามีความกำหนัดทางกามทางเพศมากก็พิจารณาให้มันเป็นสังขารไปปราบกันให้มันเป็นฝ่ายตัวเงินข้าวเป็นค้าเสีย ก, กันคิดถึงความสปกปรกโสโครปฏิคุณในภาพที่เราหลงลักหองกับนานั้นมันก็ไม่ไม่เป็นสมาธิมันเป็นเพียงแดดบรรเทาเพราะเบาบางเพราะได้หายแตนะ่ละ แต่แกมันเป็นสมาธิแต่ที่เงเอกาทิปภาโหมอชยชัยเอาอะไรมาเปล่าก็ไม่ได้มันจะเป็นเองด้วยกันจิตได้มาด้วยเขาสงของเราเป็นอันเดียวก็เป็นสมาธิที่บอกว่าไม่ใช่คมทำมันเป็นฆ่าเสกด้วยจิต เ, เป็นสะสังขารนี่คือเป็นอย่างนี้มีความรักทางการมารรมก็มาคิดถึงอสุภะอันนี้อสุภะนั่นแกเป็นสะสังขารกับสุภะนิมิต กับความงามเลยบางทีมันมามันป่ากันมาขมกันแต่มันขมกันไม่ได้ตัวนี้ถ้าแกทำเป็นสมาธิมันขมไม่ได้มันเพียงแต่บันเทาจิตว่ากอัปเสนาธรรมพิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วบันเทาแต่เมื่อทําสมาธิจริงๆมันมาเข้าสู่จุดนี้ธรรมเนื้อใช้ไม่ได้พอจะเป็นพนักผิงเพราะไม่ให้เราไม่ให้โงงขอยใจบอกใครไม่เอาก็ว่าถึงหรอกเนาะ คือเหมือนนั่งมวยชกมวยบอพอจะลมพ่อจะจ้องเผือกไว้นะพอาะยังไกรรมการเป็นเป็นแัยเห็นะบอพ่อซีดไอิกยงอนนะท่านั้นทำวเป็นสมาธิอ่อนไปดิว่าเขาจะไวหรออ่อนไปข้อตัวไปไหวยังไงข้อตัวไปไหวยังไงข้สุดท้ายายังสมาธิสตุสมาปิสติสตุวัฒนามิติเราย่อมเป็นผู้มีสติ เข้าสมาธินี้ได้และออกจากสมาธินี้ได้ด้วยสติคือเข้าได้ออกได้อย่างนี้จึเป็นธรรมะสมาธิง่ายมีสติส่วนมากถ้ามันเป็นวิชาสมาธิสังเกตนะมันไม่รู้จักว่ามันจะเข้าไมนรู้จักออกแข่งก็ได้แกะเคลมเลยเข้าสมาธิแข็งแกะเอาไปโชว์ถ่ายวีดีโอเอาแขนออกแขนอยู่นี้เอาไปตากแดดกวก่ตาตักอยู่ตรงนี้เอาไปราการสมองลดเดมาหยิบของวิ่งนี้ก็ไม่ได้ อันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าอสัญญีฌานฌานนอกศาตนาแต่แต่พู้ที่จะยังไม่เกิดเขาซ้อนกันแล้วพวกนักเลงสมาธิต่อสู้กันแต่ก่เขาเขาเจริญสมาธิเ็าไม่ไม่ได้ทาอะไรนะพวกลือีเจริญมาเพื่อจะยิ่งใหญ่เพื่อจะเป็นเจ้าพ่อแข่งอาณาจักรกันถ้าลือีไฟเก่ง เพ่งไฟลุกโผลไปตรงนั้นเพ่งไปเไฟลุกได้แต่มีเรืสีน้ําเพ่งบปเปน้ําไหลพวกเพ่งอาโปมาดีก็ดีกมาเจอกันเสียสองตัวเรืองีสองตัวมาเจอกันก็ต่อสู้กันนะฝ่ายหนึ่งเพ่งทางน้ํามาท่วมฝ่ายหนึ่งเพ่งทางไฟมาไหมก็ต่อสู้กันด้วยพลังจิตถ้ามันถ้าสู้มไม่ไหวก็แพ้ไปตายไปทีนี่ถ้าไม่ตายเคล็ดลับ ต้องหาวิธีต่อสู้ใหม่หาวิธีว่าถ้าเราสู้ก็ไม่ได้จะทําไงตายไ ว, ไว้ไๆตายก่อนก่อนที่เราจะถูกตายก่อนที่เขาจะเพ่งไฟมาแม่งก่อนที่เขาจะเพ่ง น, น้ให้น้ํามาท่วมให้รีบตายก่อนตายชัดจะดีดายแก๊กตายทันทีก็เลยหัดเพ่งนี้อ่ันยี่ปอ่ันยี่ปีสันยี่ปเราไปพูดไม่มีสัญญาแล้วแข้งก็ได้แก๊กแต่ไม่มีสตินะไม่มีสติว่าเข้าไปในแข้งแก๊เอาไปไว้ตรงนั้นแข้ง คือถ้าสู้เขาไม่ได้ร kind of th ีบแข็งเอ๊ะเอาไปมันมาไม่ไม่ไปฉันไม่ดูจะเก็บฉันแข่งแล้วนั่งทูดูไปฉันแข็งก็ได้แล้วเย็นี้ไม่มีประโยน์จึงว่าอันนี้เป็นสมาสมาธิเราเปมือสติเข้าสมาธิที้ไายแต่มีสติออกจากสมาธิมีใหญ่ที่จะสวดมานั้นจึงเป็นสมาสมาธิข้าใหญ่จะเห็นชัดเย็นนี้คืนนี้ตอนไปนอนจ้องดูเวลามันหลับ จะมีสติละเอียดมากแต่ไปจะเข้าสมาธิได้ง่ายเคยหลับน่ะเมื่อคืนนี้ก็เคยเคยหลับเรามาทุกคืนแต่มันหลับยมันใดหนาจะบอกเทคนิกให้ต่างสติละเอียดละเอียดลีเบรบ์โฟกัสในมายฟูเน็ตอินด e บิตลออล้อมสติว่าที่ลมหายใจเข้าห่างๆเจ้าเข้าละเอียดละเอียด หายใจยาวๆหรือพอมันสุดหยุดซะก่อนอย่าพ่งให้มันรีบออกเพราะมันยุดแต่ให้ม่ออกมาออกเรียบๆออกอย่าให้มันกระชากอย่าให้มันกระตกออกเรียบๆออกสุดหยุดอย่าเพิ่งมันกระชากขึ้นมาทำไปคือผู้เท่าเลยไม่เน่ยนะโยมาตัวกันโยออกไปนะและสิมันจะหลอหล่นะถ้ามันจะหลับมันจะเห็นตรงนี้นหละบางทีจะหลับหลมันรีบๆุ๊ สะดุง้งทั้งตัวมัน ไ, ไ, ไ, ไม่มันไม่ไม่ง่วงเลยจนจะตื่นขึ้นมาใหม่เอาลีอีกดีไม่มาพอจะรับรีพอรีโร ล, ลงจะหลับขาดปุ๊บสะดุง้งทั้งตัวตัวนี้ไม่หลับแล้วจะมีความตื่นเต้นอยู่ในตัวคนเดียวอ๋อบานิเดเออมะกูตายมะกูสิเบิ้งคาค า, าขึ้นนั่งหลับเนี่ยกูพยายามตายแล้ววันนี้ตายสิคือกันนีล้วนี่ลักษณะหนึ่งแต่ลักษณะหนึ่งนี่ยนะี่ไหม ปูนะจะเปลังยนเดี๋ยวนี้อีกเป็นมวยในเบเบสมาเข้าค่าแล้วต้องเป็นมวยนะแต่ลดึงหายใเข้ารีเข้าไปเข้าไปสุดหยุดพระทุกนนะ้ะมันออกออกกันนี่มๆไม่มันกระชากกระโชกออกไปสุดแต่เข้ามาใหม่หยุดทุกคนก็การสุดหยุดแต่ละครั้งเป็นการสร้างสัมปชัญญะการรู้เท่าไ่รมันว่าการรู้เท่าทันว่ามันออกมันเข้าเป็นเป็นสติ การสั่งมันหยุดปั๊บเป็นการสร้างต้อเป็นสัญเงเมื่อเราสั่งจุดปั๊บมันกระเทือนไปทั้งตัวนอนอยู่ก็ตึงไปทั้งตัวเลยถ้าเราสั่งมันจุดแล้วมันเข้ามาหม่นี้เมื่อถึงคือหยุดตึบพอมันยุดไว้ก่อนเืี่ยออกมันจะกระเทือไปทั้งตัวแล้วมันจะสถายื้อเยื่อเราไปทั้งตัวทั้งงวถึงเขาบางทีเมื่อสถานแล้ว จะเกิด อ, อาการเหมือนเจริญสกัดเหมือนจะตายโกนกว่าแต่จะกลัวตายนะไม่ตายหรอกถ้าจะตายยีมีตัวหนึ่ง เ, เต้นจเจาะก็ไปสองคนได้ปะเนะีเหมือนชักดาวออกจากฝัาเหมือนดึงหญ้าป้องออกเมืองไส้ออกจากหญ้าป้องเหมือนดึงงูออกจากข้าวไอ้ตัวมันออกไปนะัเปนเปน่เป็นตัวข้างใน ตัวนี้ตัวนอนอยู่โกนขอ้ขอขอ้ขอเป็นน้ํายอย่างนี้อยู่ก็เห็นได้ไปะนะตัวอี่ตัวหนึ่งอันนี้เปลือกมันอันนั้นอันนั้นข้างในมันเหมือนไส้ของพยาป้องเมื่อถึงตัวนี้จะมีความรู้สึกว่าโอ้อันนี้เองที่ท่านบอกกายเยกายญาณุปัสสีให้เห็นกายในกายกายนี้กายน้องที่ามันนอนหายใจอยู่น่ะกายที่มันออกก็เป็นกายในไปเลยได้แบบหนะึ่งด้ามออกมาไม้นี้กลัวกลัว กวัวมันจะไปเลยกมันยังไม่เข้ามามันมีตัวกูของกูขึ้นมาขวางมันก็จะกลับมาใหม่อบอกอบมา ใ, ใหม่นี่มันไม่ไปไกลหรอกอยู่ใกล้ๆวันนี้ทําบุญหาพ่อใหญ่สมนุ้ที่ที่เป็นเจ้าภาพทํ า, าบุญอุทิศกุศลให้คุณคุณแม่น้อยออกสองเสือทําบุญให้พ่อใหญ่นึ่พ่อใหญ่นุ้งมี่ไม่ม่น่าจะเป็นได้เป็นอย่างนี้เปที่ผมบอกฆ่าควายวันละห้าตัวสิบ ต, ตัวหกตัว เป็นคนบาปหนาแต่ก่อนลูกเต้าไปเล่าไปเรียนไม่มีเงินก็ต้องประมูลเขียงข้างงวข้าขวายอยู่อำเภอพนมม่วงบางวันข้ามวละห้าตัวหกตัวข้าเราก็ชำแหละสองพเมยียทำจนนอนรับขาเขยงดูสุดท้ายมามอบตัว ขอเป็นลูกเสียลูกหาเอารถมารับใช้บริการของประเทศปีปีหนึ่งไปต้องได้เป็นแสนแสนกิโลผมก็เลยนะึกโอแก ค, คนบาปแกบอกว่าหมอบอกว่าผมก็จะตายยนี่มีเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะตายแกผมไม่ใจเลยผมบ๊เญปญ็นยังตัวตายย่งอยู่เป็นเดือนอยู่มาเจริญสมาธิพานาโยจะพัฒนชีวิ ทุศชื่ออาสมาหิตตเอกห้างชีวิตังเสยโยศิลวันตัสชายยิโนมีชีวิตอยู่ร้อยปีไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีศีลไม่มีความเพียรเพ่งไม่มีภาวนาไม่มีฌานแต่ถ้ามีศีลในวันนี้เจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ศิลวันตัสะชายิโนเอกหัางชีวิตตังเสยโย ชีวิตวันเดียวันนี้ประเสริฐกว่าร้อยวันร้อยปีที่ผ่านมาที่ไปขําวมข้าขวายมาอยู่วัดนะมาเจริญสมาธิภาวนา ม, มารักษาศีลอุโบสถแล้วก็เอาอิริยตั้งใจยังมาการขํามบมาได้ยินกันคือไม่ได้อยู่เห็นบพตรงไหนก็ต้องเห็นไฟใหญ่สนสมาธิก็เหมือนกันตีละครตีหนึ่งตีสองแกก็มาและมานาั่งงงก็งงอยู่ในหานั่งอินกอกเสาทาะเลเห็นเมื่อไปแทงงว ง, งข้อมงข้ายไข่ที่นั่งวันหนึ่ง ผมบอกให้ดูความความหลับนี่มันหลับไปตรงไหนมันขาดจากหลับขาดจากตื่นไปหาหลับอยู่ตรงไหนผมพูดไปพูดมาบ่อยแกเขาทาอยู่แต่มันไม่เป็นขับ้วไปแกกระบ่นอาจารย์มันคือบอกไกลค้งคืดแท้ศาสตรไหมันจะไปเห็นเนีมันหลับผมก็เห็นที่คือเป็มันหลับเห็นที่มันหลับประหลอดม่อใส่จากเมืองหรือเ่ามันคือบอกให้อุดเอาอกอังเอาแทนอ่อมันปานฟาเอาดีไม่สุ่มจักเวลามันจะรู้มันก็รู้ได้ยังไง ขาบลถจะไปแสดงทำอยู่่งวนไปถึงนิคมคำาซ้อยพักพักรถพักคนแก่ไม่พักธรรมดาแกนอนแกรีนอนแกเนี่ยนอนก็ดูลมหายใจดูมันหลับไปเห็นอยู่เห็นพุดออกไปเห็นอยู่เขาออกไปแ้านตายเขามาใหม่เขามาแล้วายที่จะเงนอาจารคจรคุจก้มโคมันไปดีลีนองไปนะมันออกไปได้ยุงยานตายเหบายนี้เจ้าอยกหกเดือนโเป็นด้เจ้าว่าข้าเจ้ายำ ต่างเกาหลีสปียังเป็นพอมันเป็นดีได้ดีไปเก่งมากว่าได้เข้ามาไปหองพนิเวศเห็นนั้ยไปเฝ้านอนนอนจุวันที่นอนไปฮัทเทียวผู้เสพผู้สานนอนตะวตลาดแล้วเห็นเบิด์ผู้นงฟุ้งานอยู่แล้วเห็นเบิร์ตจจะไปเทียวที่ไืออะไรอะไเนี่ยมันตลาดไม่บอกว่าเป็นอย่างน้อยอา่า์ข้อมูลันอยู่ที่รานวัดอนิเทมีนะครับตัวเจียดามดํา ทนี้ก็ตามมอนอยู่มาคอยคุ้มของพระสงฆ์อยู่จขัดเทพตัวหนึ่งพอยืนโบจักโตดีไปตีกัมอนสู้มอนเ่ได้เมื่อกล่าวอาจารย์ครับเมื่อแต่จ้ของนอนีีด้อีกตันออกไปตีกันเมื่อกล่าวอาจารย์อจน่ให้องไปกล่าวทั้งปีเลยไปตีกับมันอีกทีพุ่นฟงไปพุ่นฟาดคอยไปทุล่าหุยพจารณ์จะเห็นตัตงไเอามันสู้มาไ่ได้ แต่บางจะาบดได้ขึ้นเลยมัน จ, จะไปทะเลาะกับมันด้วยกนันั่นแหละสวัสดีที่เองเดี๋ยวนี้ก็จะมาบนเวทีแถวนี่จบผู้ใดนอนตื่นสยบยวันหยาดของสาวเฮ็ดบดีขึ้นกัลวบางเด้องนันไหนโตขมาได้ดีเลยบีผมได้พอมยักขาเทพเราดยียังเฝ้าคุ้มครองวัดบารามอยู่ทำมาที่ถกดีอยู่แต่ถ้าผู้ใดฝักฝ่ความเพียรถ้านอนไม่ตื่นจะปุกค่ อ, คอยๆดึงค่ อ, คอยๆตบตบฝาลูกฝาแจ๊บากระโได้ ขันเป็นนักสร้างกายตะเต้เาเขามาเ ป, ป, ป็น้ะเบิดตัย่ออยู่นี่แต่พอจริงๆก็ทีมันเฟ้อโคตรเฟ้อนี่แกเป็นคนบาๆขนาดนั้นต้องต้องฝึกมาอันนี้จะบอกท่านนักลายวันนี้เวลาเราเบาไปนอนจะนอนเบาๆเจ้า บ, บนนี้เดินมาแรงไม่ได้สีเห็นอยนู่เราฝฟ้อด้วยตัวจ้องดูดีๆไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เราเราไม่ได้จ้องให้ละเอียดมันก็ไม่เห็นพอเราลองสังเกตดูวเวลาเรานั่ง ต้งสติให้มันเลยอี้จ่อลมันในลมให้ใจออมาให้จ่อบางที่มันรอนหลับเวลาขาออกแล้วมันจะออกออก完了มันจะขาดเรียกว่าคอนคอนที่นิวตีหรือว่าภาษาบรีหรือว่าสันตติตัวสืบต่อมันขาดมันขาดปัดมันก็หลับแต่นี่มันขาดที่เราไม่มีสตินั่งอยูมันเวลาหาจะออกแล้วเราดูลงมันจะเข้าหายใจออกแต่สติเราไม่กล้าเวลามันขาดเวลาหาจะออกไปนี้ข้อนตบไปนี้ อันนี้หาจะเข้ามันขาดตอกคือปดอันนี้ขาดออกบัตรทหารจะสู้ขาดเกาะบัตรทหารขาวพิษนางจะปั่นไกลตายตหายตอนเงาเถิดน้องคุณมังพีเดียวผมบอกหงเงินมันมีสติไหมฝึกไหมเย็ดนี้ไปโดต้องมีคนเห็นอย่างนี้ไม่มีใคร ก, ก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งเห็นแล้วจะบอกมูาวาวด้เอวาอเ่ดีทีหนึ่นี่นจ ะ, ะเอียดถึงขนาดนี้น หาทิจิตตาสิกขาต้องศึกษาจิตอย่างยิ่งให้ไม่เห็นตัวข้างในกับตัวข้างนอกกายในกลางนอกไม่ใช่ของพูดเล่นๆนะมีจริงๆนะจิตตาจิตเตจิตตานุปัสสีให้เห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิกเเห็นมันไปอันเดียวเอกาทิภาวาทิ็โตติ๊กน่จะเห็นจิตในจิตจิตข้างในไม่อยู่ข้างนอกไม่ไปรับรู้รับทราบข้างนอกไม่คิดเป็น ไม่รักเป็นไม่ชังเป็นไม่รู้จักว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นเมรุเป็นโยมไม่เป็นธรรมยุตธ์ไม่เป็นมหานยการไม่เป็นมหายาไมันเป็นหนยานมันเป็นเทระวัตคิดไม่เป็นแต่รู้อยู่อย่างนั้นเปรียบเหมือนเราเราอยู่ในบ้านคิดคิดมันเข้าไปข้างในถ้าเราเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูมดบม่เห็นทางนอกเห็นหรือยืนทางในไม่เห็นว่าบ้านเราทรงไหน สรงไทยหรือท่งลาวถ้าอยากเห็นต้องออกมาซะาาก่อนออกมาไยืนเมื่อเข้าไปวังยนน้องใจของจักโอ้เครืองเป็นจิตสีส่น้องจิตนี้ของมันกับเมื่อมาเข้าไปสู่ในสมาธิอย่างนี้ระดับเอกาทิภาวาะที่ิตโตปฏิปัสสติระโทเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะคิดอะไรไม่เป็นจะไม่รู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์แต่มันจะรู้อย่างเดียวว่ามันคือจิตนี่คือสมาธิและจะไม่ถามใครอยีกด้วย ที่ว่าธรรมีพระธรรมสัพพุทธยามานั่งอยู่ประทับอยู่ต่หน้าจะมากล่าวทูลถาวรตัวนี้คือเห็นจิตภายในที่ว่าอชิตังเดโตสมถะมันอยู่ตรงมันประกอบความทรงของพันนั้นแล้วเห็นจิตในจิตภายในวันนี้เวลาโลกเลยมาสองทุ่มนะสมควรแก่เวลาบุญนานการก็นทั่วทั้งโลกถึงท้องฟ้าถึงพระจันถึงตะวันจันธาถึงเทวดาผาดินถึงฝนถึงฟ้า บูรณาการด้วยทําเราก็เห็นมาแล้วเราก็พูดมาแล้วบูรณการทางการศึกษาก็พูดกันมาพอสมควรพรุพ่งนี้ต่อพรุ่งนี้เช้าตอนต่อเมื่อคืนยังค้างไปนี่อยู่เมื่อเช้าพูดว่าตอนเย็นจะพูดเรื่องตอนนิ่มให้ตอนเนาะตอนห้าเมื่อคืนเที่ยตอนตอนต่อตอนทำไมพระฝลังสามลูปมหาคม บวชองค์ละสิบสองปีสิบสามพันษาสิบสิบกวจาจย์ก็มาหาผมมาไปจัดที่แห่งพักให้พอนแ้วเขามาถามว่าวาบวชใหม่ๆมีศรัทธามากในพระศาสนามีศรัทธาอย่างแรงกล้าแต่ดีนี้ศรัทธามันไปไหนมันร่อยหรอมันมันลอยปวัติพลังมันเลือน้อยมากมันอยากซึ้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตอนบวชใหม่เราอาศัยศรัทธา แต่ตอนตอนบวชน า, นานสถรัาใช้ไม่ได้จะทำอย่าต้องใช้ฉันทัฉันทางชาเนติจิตตังอาลัปติวายมติจงประคองฉันท่าความพอใจให้เกิดขึ้นในการบวชและจงปรารบความเพียกรก็เลยเทศเลยเขานะฟังฟังทุกอ่างเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาทําความเพียรดีแต่เดี๋ยวนี้ทําความเพียรมันบุนบบ่ายไปหมด ก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราบครทายเดงงั้นคุณต้องตอนยูมาบีโซคัสซอยู่เส้นอยู่เซลคัสซซอยู่เซลตอนเจ้าขอได้เจ้าวะก็จะว่าเรือตอนเจ้าต้องทิกหตอนเจ้าไหนรือเป่าม่ใชอเปล่าเราเขากันต้องตอนได้บ่เอายังมาถัาไปเบรกเราว่าให้ไปหลังไปฟังเดนี้ไม่เส็กเลย เห็นที่จะมามาหาบอกว่าผมตอนแล้วได้ครึ่งนึงแถวบือทีฮดตอนเด็กวันนี้มาขเขาเรี่ยงตอ น, นเด็กทำไมไอ้สิ่งฉันสุนนอกสุนเน่งตายดบบเน็งปะนาะานาจจะสีผ้าสีกวงวันวันวพนวันวันวันวันวันวันวัเวลาวล้วขอความเจริญ ง, งอกงามนวันวัิวัตวันวันวันวัปวันวันวันวันว อยู่ในใจิตในใจทุกท่านให้เป็นอภุจันตาตายาสมาปนทองโหติถึงพร้อมด้วยองค์ุณแห่งผู้ไม่มีใครนอกจะต้องออกลูกเป็นฟักเป็นฟองเป็นตัวต่อไปเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในกระปาะฟองเมื่อเหตุปัจจัยพั่งพร้อมก็จะเอาจะงอนจะงอนปากเจาะ ก, กระเปาะฟองออกมาสู่ความปลอดภัยสู่โลกกว้างเมื่อเราจเจริญสมาธิภาวนาภายในเสขัปฏิปทานนี้ เมือ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมสุวาสนาปริปาการปรมิตาสาโพิญาณปริภเรนท่หูตูชาธุจิรังทีขมัตตานัยมัตสมิงตถาคตประเวทิเตหูตูสาธุคงจะยุติการเพียงแค่นีนสองทุ่มแล้ว เมื่อกี้ลราปรับก่อแล้วนะสาธุนะห้ามเึ็กนะจิรั ง, งธีธวรมทานนางอิวัสมิงตรากระตะเวทิเทหูถูกขอท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนในพาพศาสนาในพระธรรมในที่พระ ธ, ธรรมตดาตรไว้ดีแล้วตลอดไปจนถึงชาตินาจึงสึกเตอร์คน่ะใครไสาธุึกไเด้วยเ